วันนี้เป็นวันเสาร์ที่สามพฤษภาคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริสัตว์ผู้ฝ่ายธรรมได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมเพื่อความสุขความเจริญ สองจิตใจที่จะตามมาต่อไปการแสดงนี้ตอนนี้ก็จะแบ่งไว้เป็นสองช่วงด้วยกันช่วง30สนาทีแรกก็จะเป็นการพูดธรรมะให้ท่านสาธุชนได้ยินได้ฟังเพื่อให้เกิดปัญญาส่วนช่วงที่สอง30นาทีหลังจะเป็นช่วงนั่งสมาธิ เพื่อทำจิตใจให้สงบให้เกิดความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเป็นการปฏิบัติตามที่พรเจ้าได้ทรงสอนเพื่อให้มีทั้งปัญญาให้มีทั้งสมาธิเพื่อที่จะได้ใช้เป็นเครื่องมือในการกำจัดกิเลสตัณหาโมหะอวิชชา เหตุที่ทำให้ใจเกิดความทุกข์เกิดความวุ่นวายใจต่างๆธรรมะที่จะามาฝากท่านในวันนี้ก็คือเรื่องปัจจัยสี่ของใจปัจจัยสี่ของใจคืออะไรก็เหมือนกับปัจจัยสี่ของร่างกายร่างกายนี้จำเป็นที่จะต้องมีปัจจัยสี่คือมีอาหาร มีเครื่องนุ่งหม ม, มีที่อยู่อาศัยมียารักษาโรคไว้ดูแลรักษาให้ร่างกายอยู่เป็นปกติสุขไม่ทุกข์ไม่ถึงแก่ความตายฉันใดใจก็ต้องการปัจจัยสี่เหมือนกับร่างกายเช่นเดียวกันไว้สาหรับดูแลใจ ให้ใจอยู่อย่างเป็นปกติสุขไม่วุ่นวายไม่ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆกับเหตุการณ์ต่างๆที่จะมากระทบกับจิตใจปัจจัยสี่ของใจนี้ก็เหมือนกับปัจจัยสี่ของร่างกายคือใจก็ต้องการอาหารต้องการเครื่องนุ่มหม ต้องการที่ อ, อาศัยต้องการยารักษาโรคเช่นเดียวกับร่างกายเพียงแต่ว่าปัจจัยสี่ของใจนี้ไม่เหมือนกับปัจจัยสี่ของร่างกายเช่นอาหารของใจนี้ต่างจากอาหารของร่างกายอาหารของใจนี้คือการทำบุญทำทาน การทำความดีต่างๆเพราะเวลาที่ใจได้ทำบุญทำทานได้ทำความดีใจก็จะเกิดความสุขใจเกิดความอิ่มใจขึ้นมาไม่หิวโหวยกับสิ่งต่างๆที่เป็นเหมือนกับยาเสพติดก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผลสพ้ะชนิดต่างๆ คนส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้ศึกษาธรรมะเวลาใจไม่มีความสุขก็คิดว่าใจต้องการหาความสุขอยากรูปเสียงกลิ่นรสผุดพภพชนิดต่างๆจึงพาใจไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆพาไปดื่มอาไปรับประทานอะไรต่างๆพาไปดูภาพยนตร์ดูมหรสพ บ, บันเทิงต่างๆ แต่การหาความสุขแบบนี้ไม่ได้ทำให้เกิดความอิ่มความพอให้กับจิตใจแต่กลับเพิ่มความหิวให้กับจิตใจเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะเป็นเหมือนยาเสพติดเวลาได้เสพก็เกิดความสุขชั่วคราวแต่หลังจากนั้นไปไม่นานเวลาผ่านไปความสุขที่ได้จากการเสพยาเสพติดมันก็หายไป และสิ่งที่เข้ามาแทนที่ก็คือความอยากจะเสพยาเสพติดเพิ่มมากขึ้นไปอีกแล้วถ้าเกิดไม่สามารถที่จะไปหายาเสพติดมาเสพได้ใจก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาคนส่วนใหญ่ที่ไม่ได้เข้าวัดไม่ได้ศึกษาธรรมะคิดว่าความสุขของใจก็คือการได้ไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสผพตพะชนิดต่าง ได้ไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆได้ไปดูภาพยนตร์มหัศจรรยอะไรต่างๆได้ไปดื่มนับรัทานอาหารเครื่องดื่มต่างๆได้ไปซื้อข้าวซื้อของอะไรต่างๆที่อยากจะซื้ออยากจะมีแต่สิ่งเหล่านี้มันไม่ได้ให้ความสุขอย่างยั่งยืนเป็นความสุขชั่วขณะที่ได้ไปเสพได้ไปสัมผัสเท่านั้นพอหลังจากนั้นผ่านไป ความสุขที่ได้นั้นก็หายไปความรู้สึกอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายความรู้สึกหิวรู้สึกความรู้สึกอยากได้นู่นได้นี่ก็จะกลับคืนขึ้นมาใหม่เหมือนกับยาเสพติดของร่างกายร่างกายถ้าไปเสพยาเสพติดแทนที่จะไปรับประทานอาหารร่างกายก็จะสุูส้ผอมเพ า, ายาเสพติดนี้ไม่ได้มาทําให้ร่างกาย แข็งแรงสมบูรณ์เพียงแต่เป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดความสุขแบบชั่วคราวแต่ร่างกายจะสู้ผอมไปเรื่อยๆเพราะขาดอาหารฉันใดใจก็เช่นเดียวกันใจจะมีความสุขความอิ่มความพอหรือจะมีความทุกข์มีความหิวก็อยู่ที่ว่าใจ ได้ให้อาหารหรือให้ยาเสษติดกับใจดังนั้นถ้าเราอยากจะให้ใจเราอิ่มหนำสาราญมีความสุขมีความสบายไม่หิวโหยกับสิ่งต่างๆไม่หิวโหยกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะเวลาที่เราเกิดความรู้สึกขาดความสุขเราก็ไปทำบุญกันไปทำความดีในรูปแบบต่างๆคำว่าบุญนี้ก็คือ การกระทาที่จะทำให้เกิดความสุขเกิดประโยชน์กับผู้อื่นไม่เกิดโทษไม่เกิดความเสียหายหต่อผู้อื่นและไม่เกิดโทษไม่เกิดความเสียหายหกับตัวเราเองนี่เรียกว่าเป็นการทาบุญเช่นญาติโยมยยมังชนิยมทาบุญกับวัดถวายปัจจัยสี่ด้วยวิธีการต่างๆทาบุญใส่บาตรเอย ถวายสังกธาเอ่ยถวายผ้าป่าเอ่ยถวายผ้ากถินเอ่ยแล้วช่วยบริจาคทรัพย์เพื่อเพื่อใช้นี้สง์เพื่อใช้ในการทานุบำรุงปฏิสังขรถาวระวัตุโบเจดีให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สวยงามเหล่านี้เรียกว่าเป็นการทาบุญ เวลาทำบุญแล้วใจจะมีความอิ่มมีความสุขใจจะไม่หิวโหวยกับการที่จะไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลตระชนิดต่างๆเพรรู้ว่ามันไม่ได้เป็นความสุขที่แท้จริงทุกครั้งที่อยากจะมีความสุขแทนที่จะไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆ ก็เปลี่ยนมาใช้การทำบุญทาทานแทนการทำบุญทาทานนี้ก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องทำกับพระศาสนาเพียงอย่างเดียว mm hmm. ที่ไหนมีความทุกข์ยากเือดร้อน mm hmm. ที่ไหนมีความต้องการความช่วยเหลือก็สามารถทำได้กับทุกสถานที่ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนโรงพยาบาลสถานสงเคราะห์ผู้ยากไร้ต่างๆ หรือเวลาเกิดมีภัยพิบัติต่างๆน้ำท่วมเอ้ยพายุเอ้ยแผ่นดินไหวเอ้ย ม, มีผู้ทุก ม, มีทุกมีผู้ทุกยากเดือดร้อน<ม>ถ้าเรามีกำลังทรัพย์พอที่จะช่วยเหลือกันได้เราก็ไปช่วยเหลือกันแล้วเราจะเกิดความรู้สึกสุขใจสบายใจขึ้นมาที่เราได้ทำคุณทำประโยชน์ให้กับผู้ นี่ก็คือวิธีการให้อาหารกับใจให้โดยการทำบุญทำทานถ้าเราไม่มีเงินทองไม่มีข้าของสิ่งของที่จะให้เราก็ยังสามารถให้กำลังกายของเราได้เช่นถ้าเรามีเวลาว่างเราก็ไปเป็นอาสาสมัครไปเป็นจิตอาสาไปช่วยงานสาธารนณะประโยชน์ต่างๆ โดยที่ไม่รับค่าจ้างตอบแทนหรือบางท่านมาวัดก็ช่วยทำความสะอาดห้องน้าห้องท่าอย่างนี้หรือเห็นว่าท่านตรงไหนสกปรกก็ช่วยกันกวาดช่วยกันเก็บเพื่อให้เป็นสถานที่ที่น่าดูน่าชมสถานที่สะอาดที่จะทำให้ผู้ที่มาทำบุญ จะได้มีความสุขก็สามารถใช้ร่างกายของเรานี้กำลังกายของเรานี้เป็นการทาบุญก็ได้หรือบางท่านอาจจะไม่มีทรัพย์มากแต่มีวิชาความรู้เช่นเคยเป็นครูเป็นอาจารย์มาก่อนหลังจากที่เกษียณแล้วมีเวลาว่างอยากจะสงเคราะห์เด็กที่ต้องการให้มีติวเตอร์ ให้มีผู้ที่มาช่วยให้วิชาความรู้แก่เด็กก็สามารถเป็นตูตอสอนเด็กในวิชาที่ตนเองถนัดได้โดยที่ไม่คิดเงินทองเป็นของตอบแทนอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการให้วิชาความรู้เรียกว่าวิทยาทานแล้วก็บางท่านก็อาจจะมีความรู้ทางด้านธรรมะ สามารถ บ, บอกให้คนที่มีความทุกนี้บรรเทาความทุกข์เดือดร้อนได้โดยเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามาสอนมาบอกทำให้ผู้ที่มีความทุกข์ใจเสยียใจบรรเทาความทุกข์ความเสยียใจลงไปได้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการให้ธรรมทานบางท่านก็มีความเมตตาเวลาใคร ทำอะไรให้ตนเองเสียหายเดือดอร้อนก็ไม่ถือโทษโกรธเคืองให้อภัยเรียกว่าให้อภัยทานการกระทําเหล่านี้จะทําให้ใจมีความสุขทําให้ใจมีความอิ่มเป็นการให้อาหารกับใจ น, นี่ก็คือปัจจัยข้อแรกที่เราควรที่จะทํากันอยู่เรื่อยๆ ถ้าเราอยากจะให้ใจของเรามีความสุขมีความอิ่มวันไหนที่เรารู้สึกว่าเราอยากเรามีความอยากไม่มีความสุขก็อย่าไปทำตามความอยากของกิเลสคืออย่าไปทำหาความสุขจากการไปเสพ ร, รูปเสียงกิ่นรสต่างๆหรือไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆหรือไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เราไปทำบุญทาทานทำความดีกันดีกว่าทำได้ทุกที่ทำได้กับทุกบุคคลไม่จาเป็นว่าจะต้องมาทำกับวัดเพียงอย่างเดียวแต่ถ้าเราเป็นชาวพุทธเราก็มักจะคิดถึงว่าเป็นในลำดับต้นก่อนเพราะเรามีศรัทธาความเชื่อว่าวัดนี้ทำคุณทําประโยชน์ให้กับโลกวัดเป็นแหล่งของของของธรรมะคาสอนนันประเสริฐของพระพุทธเจ้า ที่จะช่วยให้ผู้ที่ได้มาศึกษาได้มาปฏิบัติได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้เราก็ถึงมกักจะนึกถึงว่าเป็นแห่งจุดแรกของการทำบุญแต่ยังมีหลายจุดที่เราสามารถทำได้โรยเฉพาะที่บ้านเราเราก็มีพระอยู่สองรูปคือพ่อและแม่ของเรานี้เป็นพระาอารหันต์ของลูกๆครูบาอาจารย์ท่านมากักจะสอนว่า ก่อนจะออกไปทําบุญกับพระนอกวัดนอกบ้านให้ทําบุญกับพระในบ้านก่อนให้ดูแลพ่อแม่ให้อยู่สุขสบายก่อนถ้าพ่อแม่ขาดหรืออะไรก็ควรที่จะหามาสงเคราะห์ไม่ให้พ่อแม่อยู่แบบทุกข์ยากเดือดร้อนถ้าเราได้ดูแลพระในบ้านเราแล้ ว, แ ล, วแล้วยังมีกำลังที่จะไปดูแลพระที่วัดต่อไปเราก็ค่อยไปต่อไป การไปทำบุญกับวัดพระที่วัดไม่ก็ได้ประโยชน์ได้ทำบุญแล้วก็ยังได้ยินได้ฟังธรรมได้ยินคําสอนของพระพุทธเจ้าที่จะเอามาใช้ในการกำจัดความทุกข์ต่างๆอย่างเช่นวันนี้ท่านก็ได้มาได้ยินได้ฟังธรรมเกี่ยวกับการดูแลจิตใจด้วยปัจจัยสี่เพื่อให้จิตใจนั้นอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขอันนี้ก็คือเรื่องของอาหาร เป็นปัจจัยข้อที่หนึ่งของใจอาหารของใจก็คือการทำบุญทำทานปัจจัยสี่ข้อที่สองของใจคือเสื้อผ้าอาภรณ์เสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มร่างกายต้องการเครื่องนุ่งหม่มเพื่อให้ร่างกายดูแล้วไม่อุจจารตาใ ห, ให้ร่างกายดูแล้วมีความน่าดูน่าชม จั้นใดใจก็ต้องมีเสื้อผ้ า, าพรไว้สวมใส่เพื่อให้ใจนั้นเป็นใจที่มีความสง่างามนอกจากเสื้อผ้าที่ให้เสริมความงามแล้วของร่างกายเสื้อผ้าก็ยังช่วยปกป้องภัยบางอย่างได้ภัยจากอากาศหนาวเย็น<ม>ก็ต้องมีเสื้อผ้าไว้สวมใส่ให้ร่างกายอบอุ่น ีเสื้อผ้าไว้ใส่กันมแมลงสา์กัดต่อยต่างๆที่อาจจะมากัดมามาทำร้ายร่างกายได้อันนี้ก็เป็นเครื่องป้องกันไภัยไปเสื้อผ้ามีหน้าที่สองอย่างไว้ป้องกันภัยของร่างกายและไว้เป็นการเสริมความสวยงามความน่าดูน่าชมของร่างกายันใดใจก็ต้องการเสื้อผ้าเหมือนกันใจก็ต้องการเสื้อผ้าไว้สำหรับ เสริมสวยความสาง่างามของใจแล้วก็ไว้ปกป้องใจไม่ให้ถูกภัยที่เกิดจากการไม่มีเสื้อผ้าไม่มีอภรรสวมใส่ไว้ป้องกันอะไรคือเสื้อผ้าของใจเสื้อผ้าของใจก็คือศีลนี้เองศีลห้าศีลห้านี้เป็นเสื้อเสื้อผ้าของใจจะทําให้ผู้ที่มีศีลห้านี้เป็นผู้ที่มีความสาง่างาม เป็นผู้ที่น่าเชื่อถือน่านับถือเป็นผู้ที่ไม่ไปสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้กับผู้ผูู้เวลาได้อยู่ใกล้กับผู้ที่มีศีลห้าแล้วจะมีความรู้สึกว่าปลอดภัยไม่ต้องวิตกกังวลว่าผู้นั้นจะมาทำร้ายเราแต่อย่างใดเพราะผู้ที่มีศีลห้านี้ย่อมไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตย่อมไม่ลักทรัพย์ย่อมไม่ประพฤติผิดในการ ย่อมไม่ย่อมไม่พูดปดโกหกหลอกลวงแล้วก็ไม่ดื่มสุรายาเมาเป็นต้นนี่คือศีลห้าผู้ใดที่มีศีลห้าผู้นั้นจิตใจจะเป็นจิตใจที่สง่างามถึงแม้ว่าร่างกายอาจจะไม่สง่าไม่สวยไม่งามไม่มีเสื้อผ้าพรสวยๆงามๆไม่สวมใส่แต่ถ้าจิตใจมี มีมีศีลห้าแล้วจิตใจนั้นจะจะเป็นเป็นสิ่งที่ดึงดูดความรักความชื่นชมจากผู้อื่นความสวยงามทางร่างกายนี้มันเป็นของแบบเป็นเปลือกแต่ความสวยงามของใจนี้มันเหมือนเป็นเนื้อพอเราบางทีเวลาเราครบคนเราก็อาจจะคบที่เปลือกด้วยการเห็นดูเขาใส่เสื้อผ้าสวยงาม เราก็อาจจะไปหลงรักไปชอบเขาแต่พอได้ไปใกล้ชิดกับเขาได้อยู่กับเขาพอได้ไปสัมผัสกับเนื้อคือเสื้อผ้าผ่อนสงใจถ้าไม่มีศีลห้าแล้วก็จะก็จะไม่มีความชื่นชมยินดีต่อไปนี่คือเสื้อผ้าผ่อนสงใจที่จะทำให้ผู้ที่มีศีลห้านี้มีความสงา่างามมี ความน่าศรัทธาเรื่องสายน่าชื่นชมน่ายินดีเข้าใกล้นอกจากสินหานี้จะเป็นเครื่องเสริมสวยความงามของใจแล้วยังเป็นเครื่องป้องกันภัยให้กับใจด้วยอะไรคือภัยของใจภัยของใจก็คือการกระทำบาปนี่เองการกระทำบาปที่จะส่งให้ใจนี้ต้องไปติดทุกข์ติดตรางในอบาย เวลาที่ร่างกายตายไปแล้วถ้ารักษาศีลห้าไม่ได้นี้บาปก็จะไม่สามารถมาสร้างอบายให้กับใจได้เวลาตายไปก็ไม่ตนำเกิดไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเป็นเปรตไปเป็นนศและกายรือไปตกนรกถ้ารักษาศีลห้าได้ได้ครบถ้วนบริบูรณ์เวลาตายไปจะไปสู่สุคติจะไม่ไปสู่ทุกคติ เพราะเหตุคือเหตุที่จะพาให้ไปทุกขตนี้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้คือการทำบาปนั่นเองถ้ามีศีลแล้วก็จะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดป ร, ประพฤติผิดในการมแล้วก็ไม่พูดปดโกหกหลอกลวงพูดไม่ดื่มสุรยายาเมาให้เกิดการขาดสติ ไม่มีความสามารถยับยั้งใจเวลาคิดจะทำบาปก็ไม่สามารถยับยั้งการกระทำได้อันนี้เป็นเสื้อผ้าอผารอ์ของใจที่สำคัญกว่าเสื้อผ้าอ่อ์ของร่างกายอย่างเช่นผ้าภิกษุนี้ท่านก็ไม่ได้สวยงามทางร่างกายศีรษะท่านก็โลนผ้าท่านก็ห่มผ้าเหลืองชุดเดียวตลอด ไม่ว่าจะไปไหนมาไหนงานไหนก็มีแต่ผ้าเหลืองชุดเดียวนี้แต่ท่านกลับเป็นที่เคาเรพเลื่อมใสของประชาชนทั่วไปเพราะท่านมีสีนี้เองสีนี้นะเป็นเหตุเป็นตัดใจที่ทำให้ผู้ที่มีสีนี้มีสง่าราศีมีความสวยงามแล้วก็มีเครื่องคุ้มครองใจไม่ให้ตกไปในอบายต่อไป อันนี้ก็คือเรื่องของเสื้อผ้าพรของใจคือการไม่กระทำบาปด้วยการรักษาศีห้าข้อต่อไปก็คือที่อยู่อาศัยของใจร่างกายก็ต้องการบ้านช่องไว้สำหรับอยู่หลบแดดห ล, ลบฝนหลบภัยต่างๆฉันใดใจก็ต้องอาศัยบ้านที่จะไว้ป้องกันความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในบางเวลาในบางวันเหมือนกับตอนนี้เราเวลามีฝนฟ้าตกเราก็มีที่นั่งมีหลังคาไว้ป้องกันไม่ให้น้ำมันตกลงเข้ามาใจก็ต้องมีบ้านเหมือนกันไว้ปกป้องความทุกข์ต่างๆความทุกข์ที่เกิดจากความวุ่นวายใจจากการเจอเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่น่าไม่น่าพบไม่น่าเห็นหรือพบกับ เหตุการณ์ต้องสูญเสียสิ่งต่างๆไปบุคคลต่างๆไปใจก็จะเกิดความเศร้าโศกเสียใจขึ้นมาได้แต่ถ้าใจมีบ้านเวลาเกิดความทุกข์เศร้าโศกเสียใจนี้ก็สามารถหลบเข้าไปในบ้านพอเข้าไปในบ้านได้ความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจต่างๆก็จะหายไปได้เหมือนกับเรามีบ้านไว้สําหรับป้องกนันร่างกายเวลา เราไปเจอฝนเจอแดดแรงๆหรือไปเจอพายุหรือเจออะไรหรือเจอเหตุการณ์ที่เป็นอันตรายต่อร่างกายเราก็เข้าบ้านไปถ้าเรามีบ้านเราเข้าไปหลบอยู่ในบ้านเราก็ร่างกายของเราก็จะปลอดภัยรอให้เหตุการณ์สงบก่อนนั้นเราค่อยออกมานอกบ้านต่อไปใจก็เช่นเดียวกันใจของเรานี้ในแต่ละวันก็อาจจะต้องเจอกับเหตุการณ์ต่างๆ นี่อาจจะทำให้เกิดความทุกข์ใจเกิดความวุ่นวายใจต่างๆขึ้นมาได้ถ้าเรามีที่หลบภัย<ม>คือมีบ้านเวลาที่เราทุกข์เราก็สามารถหลบเข้าไปในบ้านได้<ม>บ้านของใจก็คือก็คือสมาธินี่เอง<ม>การทำใจให้สงบให้นิ่งให้ตั้งอยู่ในความสงบนี้<ม>จะเป็นที่กำจัดความทุกข์ต่างๆได้ เวลาที่ใจเราเกิดความทุกข์เกิดความวุ่นวายใจต่างๆเราก็หลบเข้าไปในสมาธิถ้าเราทานั่งสมาธิเป็นทำใจให้นิ่งให้สงบเป็นความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆที่เกิดจากเรื่องนั้น น, น, นี้เกิดจากบุคคลนั้นเจอเกิดจากบุคคล น, นี้มันก็จะหายไปชัว่วคราวเราก็รอให้ใจสงบใจสบาย พอใจมีกำลังเราก็ออกจากสมาธิมาเพื่อมาเผชิญกับปัญหาต่อไปแล้วถ้าเผชิญปัญหาไปแล้วเกิดสู้ไม่ไหวก็เราก็กลับเข้าไปในสมาธิได้ใจเราก็ย้ไม่ต้องทุกมุ่นวายไม่เหมือนกับคนที่ไม่รู้จักเข้าสมาธิเวลาใจมีความทุกข์นี่ต้องแบบความทุกข์ไปตลอดเวลาเวลาเกิดความเศร้าโศกเสียใจ ความซึมเศร้าก็ต้องเบิกความเศร้าโศกเสียใจความซึมเศร้าไปตลอดเวลาทั้งๆ ท, ที่สามารถที่จะหลบได้แต่ไม่รู้จักวิธีหลบเพราะไม่มีบ้านไม่ได้สร้างบ้านเอาไว้บ้านของใจก็คือสมาธิถ้าเรามาฝึกสมาธิอย่างที่นี่เวลาที่เราฟังเทศฟังธรรมเสร็จแล้วเราก็จะฝึกนั่งสมาธิกันทําใจให้นิ่งให้สงบ จะ ท, ทำใจให้นิ่งให้สงบเราก็ต้องมีสติกำกับใจให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเพื่อไม่ให้ใจลอยไปกับความคิดต่างๆไปลอยไปกับเรื่องราวต่างๆถ้าใจอยู่กับอารมณ์อารมณ์ที่ไม่มีพิษมีภยัยอารมณ์ที่จะทำให้ใจนิ่งทำให้ใจสงบเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาวุ่นวายกับใจก็จะเข้ามาไม่ได้ใจก็จะนิ่งจะเย็นจะสงบจะสบาย ความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆที่เกิดขึ้นก่อนที่มานั่งสมาธิมันก็จะหายไปใจก็จะพบกับความสุขพบกับความสงบความสบายใจเราต้องพยายามฝึกสร้างสมาธิกันทำให้เป็นนิ ส, สัยเวลาที่เรามีความทุกข์ความวุ่นวายใจเราก็เข้าไปนั่งสมาธิกันนั่งสักภาพบเดียว พอใจลืมเรื่องราวต่างๆที่ทําให้ทุกความทุกข์นั้นก็จะหายไปอัน<ม>นี้คือบ้านของใจคือสมาธิ<ม>เราต้องมาฝึกสมาธิกัน<ม>เพื่อเวลาที่เรามีความเศร้าโศกเสียใจมีความวุ่นวายใจมีความโกรธแค้นโกรธเกรงใคมีปัญหาทางด้านจิตใจเราก็ไปฝึกสตินั่งสมาธิกันพอทําใจให้สงบเนือ้อเรื่องราวต่างๆได้ ความทุกข์ความวุ่นวายใจก็จะหายไปชั่วคราวนี่คือบ้านของของใจก็คือสมาธิแล้วปัจจัยข้อที่สี่คือยารักษาโรคของใจคืออะไรร่างกายต้องการยารักษาโรคเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยไปหาหมอหมอก็ให้ยามารับประทานพอยาเข้าไปในร่างกายยาก็ทาหน้าที่กำจัด เหตุที่ทําให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยได้พอกําจัดเหตุได้ความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายก็หายไปอันใดใจก็มีความทุกข์มีมีโรคของใจเหมือนกันโรคของใจก็คือความทุกข์ความวุ่นวายใจนี่แหละที่บางครั้งเราอาจจะไม่สามารถเข้าไปในสมาธิได้ เพราะเราไม่อาจจะไม่อยู่ในเหตุการณ์ในสถานที่ที่จะเข้าไปนั่งสมาธิได้เราก็สามารถที่จะใช้ใช้ปัญญานี้มาดับความทุกข์ดับความวุ่นวายใจของเราก็ได้ถ้าเรารู้จักเจริญปัญญารู้จักเหตุที่ทำให้ใจเราทุกข์ว่าเกิดจากอะไรถ้าเราศึกษาพระพุทธศาสนาท่านก็จะสอนว่าความทุกข์ใจของเราเกิดจากกิเลสตัณหาของเรานี่เง เกิดจากความโลภความอยากต่างๆเกิดจากความโกรธความหลงเวลาเราโลภเราอยากอะไรแล้ะพอเราไม่ได้ตามความอยากใจเราก็จะทุกขึ้นมาใจเราก็จะเสียใจขึ้นมาใจเราก็จะโกรธขึ้นมาแต่พอเรารู้ว่าอ๋อความทุกข์ใจความไม่สบายใจของเราเกิดจากความอยากได้สิ่งนั้นได้สิ่งนี้อยากเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยากให้คนนั้นเขาทาอย่างนั้นทาอย่างนี้ ออเขาไม่ได้ทาตามความอยากของเราใจเราก็ทุกข์ใจเราก็วุ่นวายขึ้นมามถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ไม่อยากจะวุ่นวายเราก็หยุดความอยากของเราเสียโดยพิจารณาว่าเราไม่สามารถไปควบคุมบังคับไปสั่งให้คนและสิ่งต่างๆในโอกนี้เป็นไปตามความต้องการของเราได้เสมอไปบางทีเราอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันก็ไม่เป็นขึ้นมา บาท si ี่เราอยากให้คนนั้นคนนี้ดีกับเราเขาก็ไม่ดีกับเราเราต้องมองว่าเขาไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจในการควบคุมบังคับของเราเขาเป็นอนิจจังอนัตตาอนิจจังเขาไม่แน่นอนเขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอนัตตาเขาไม่ได้อยู่ภายใต้คําการควบคุมบังคับของเราเสมอไปพอเราไม่สามารถควบคุมบังคับเขาได้สั่งเขาได้ให้เขาทาตามที่เราต้องการได้หรือเวลาที่เขาเปลี่ยนไป เราไม่ต้องการให้เขาเปลี่ยนแต่เราก็ห้ามเขาไม่ได้เราก็ต้องหยุดความอยากของเราปล่อยให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขาเขาจะทำอะไรก็เป็นเรื่องของเขาไปเขาจะดีชั่วก็เรื่องของเขาไปใจของเราก็จะหายทุกข์ได้อ น, นี่ก็คื อ, อยารักษาโรคใจถ้าเราบางทีไม่สามารถเข้าสมาธิได้ถ้าเราใช้ปัญญาเป็นเราก็ใช้ปัญญาซึ่งการใช้ปัญญานี้ก็มีประโยชน์ มากกว่าสมาธิเพราะสมาธินี้จะระ ง, งับความทุกข์ความไม่สบายใจได้ชั่วครั้งชั่ควคราวเวลาเวลาเข้าไปในสมาธิแต่เวลาออกจากสมาธิมาพอมาเจอเรื่องราวต่างๆก็จะทุกข์ใจข<ม>ึ้นมาได้แต่ถ้าใช้ปัญญาเป็นเวลาเจอเหตุการณ์ต่างๆก็วิเคราะห์ดูว่าเกิดจากอะไรเราทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะเราอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ใช่ไหม แล้วเราสั่งให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้หรือเปล่าถ้าสั่งไม่ได้ก็อย่าไปอยากมันยอมอยู่กับมันไปผลจะตกก็ต้องปล่อยให้มันตกไปอย่าไปอยากให้มันไม่ตกเพราะปอยากให้มันไม่ตกแล้วใจจะไม่สบายใจใช่ไหมใจจะทุกข์ขึ้นมาทันทีแต่ถ้าพอรู้ว่าเราไม่สามารถไปสั่งผลเขาได้สั่งให้เขาหยุดหรือสั่งให้เขาตกได้เขาจะตกเขาจะหยุดก็เรื่องของเขาไป เราก็อยู่ของเราไปตามสภาพใจของเราก็จะไม่ทุกข์ได้ น, นี่แหละคือปัจจัยสี่ที่จะมาดูแลจิตใจของเราให้อยู่เป็นปกติสุขให้อยู่อย่างไม่มีความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆความความสุขใจของเรานี้ไม่ได้อยู่กับการที่จะต้องมีเงินมากๆมีตำแหน่งสูงๆมีรางวัลต่างๆมีคนยกย่องสรรเสริญเยินยอ มีรูปเสียงกลิ่นรสผลสะพธธธธธ้ต่างๆมาให้เสดมาให้สัมผัสแต่ขอให้มีปัจจัยสี่ทางใจเท่านั้นใจก็จะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขให้อาหารกับใจด้วยการทำความดีต่างๆทำบุญทำทานสร้างบุญสร้างกุศลเ ส, ส, สื้อผ้าพรสวมใส่ให้ใจสง่างามก็คือการรักษาศีลไม่ทำบาปเราจะป้องกันภัยจากการที่จะต้องไปเกิดนอบายได้ แล้วก็สร้างบ้านให้เป็นที่พักจิตใจเวลาใจวุ่นวายก็เข้าสมาธิไปบ้านก็คือสมาธิที่เราจะมาฝึกต่อไปส่วนปัญญาก็บั่นศึกษาฟังเทศฟังธรรมไปอยู่เรื่อยๆแล้วเราก็จะเกิดความเข้าใจลึกซึ้งขึ้นมาแล้วเราก็จะรู้ว่าความทุกข์ใจของเรานี้มันไม่ได้เกิดจากใครที่ไหนเราเกิดจากความอยากของเราทั้งนั้น ถ้าเราไม่มีความอยากเรารับประกันได้ว่าใจของเรนี้จะไม่มีความทุกข์เลยอันนี้ก็คือเรื่องของปัจจัยสี่ที่เอามาฝากท่านในวันนี้หล่อไปนี้เราก็จะมาฝึกนั่งสมาธิกันทำจิตใจให้สงบเพราะความสงบของใจนี้จะทำให้เกิดความสุขที่ยิ่งใหญ่ความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงถ้าเราสามารถพบกับความสุขที่ได้จากสมาธิแล้ว เราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปหาความสุขจากราบยศเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสปุถะภะอีกต่อไปเราเพียงแต่อาเวลาหาเวลาว่างมานั่งสมาธิทําใจให้นิ่งให้สงบเราก็มีความสุขได้ไม่ต้องไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆไม่ต้องไปดูไปฟังไปกินไปดื่มอะไรไม่ต้องไปซื้อของฟุ่มเฟือยของหรูหราต่างๆเพียงแต่ทําใจให้นิ่งให้สงบแล้วความสุขอันยิ่งใหญ่ก็จะปรากฏขึ้นมา วิธีที่ทำให้ความสุขอันนี้เกิดขึ้นมาเราต้องมีสติคอยกํากับใจควบคุมใจสติคือการระลึกรู้ให้เราะลึกรู้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งที่เป็นกรรมฐานเป็นเครื่องเครื่องอบรมจิตใจให้นิ่งให้สงบกรรมฐานที่เราใช้กันส่วนใหญ่ก็คือพุทธานุสติคือการระลึกถึงพระพุทธเจ้าด้วยการบริกรรมคาว่าพุทธโธพุทธโธไปภายในใจ ถ้าเราอยู่กับพุโทโธพุธโทโธไปอย่างต่อเ น, นื่องไม่เผลอไปให้ใจไปลอยไปคิดกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้หรือถ้าเราจะใช้การดูลมหายใจเข้าออกอันนี้ก็เรียกว่าอาณาปณะสติเราก็นั่งดูลมที่ปลายจมูกคอยเฝ้าดูตรงจุดที่ลมสัมผัสที่ปลายจมูกเวลาเข้าก็รู้ว่ากำลังหายใจเข้าเวลาออกก็รู้ว่ากาลังหายใจออก ให้รู้อยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆอย่าไปคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้อย่าไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ถ้าเรายังไม่สามารถดูลมได้หรือบริกรรมพุทโธได้เราจะใช้การสวดมนต์ไปก่อนก็ได้สวดมนต์ไปภายในใจเหมือนกับการบริกรรมพุทโธแต่สวดมนต์นั้นมันจะยาวหน่อยสวดบทอิติปิศโสไปก็ได้สวดพระสูตรไหนก็ได้ที่เราท่องได้จําได้สวดไปเรื่อยๆจนก่ใจจะเย็นใจจะสงบ หรือพอเรารู้สึกว่าเราพอที่จะหยุดสวดแล้วมาดูลมหายใจได้เราก็หยุดสวดแล้วก็มาดูลมหายใจต่อก็ได้การดูลมนี่จะเป็นดีที่สุดหรือการอยู่กับคำบรกรกรรมพุทโธนี้จะเป็นดีเป็นเหตุที่จะทำให้ใจรวมเป็นสมาธิได้ขณะที่นั่งก็อย่าไปสนใจถ้ามีอาการอะไรต่างๆปรากฏให้รับรู้มีแสงบ้างมีรูปบ้างมีอะไรบ้างอย่าไปตามรู เป็นของหลอกทั้งของที่จะมาหลอกให้เราเสียสติเสียสมาธิให้เรารักษาสติไว้อยู่กับการดูลมหรืออยู่กับการบริกรรมพุทโธไปหรืออยู่กับการสวดมนต์ไปแล้วใจเราจะนั่งได้อย่างสบายอย่างมีความสุขถ้าใจเราเผลอไม่ได้อยู่กับกรรมฐานม ไ, ไม่ไม่ได้อยู่กับอารมณ์ไม่ได้อยู่กับลมหรืออยู่กับพุทโธหรืออยู่กับการสวดมนต์เวใจเราก็จะเด่นขึ้นมา เราจะรู้สึกทรมานเวลาจะต้องนั่งนั่งเฉยๆแตนถ้าพอรู้สึกว่าใจดิ้นนะต้องให้รู้แล้วว่าเราเผลอแล้วเราไม่ได้มีสติอยู่กับพุโทโธแล้วเราไม่มีสติอยู่กับลมหายใจแล้วเราต้องรีบกลับมาหาสติทันทีมาหาลมหายใจม า, าพุโทโธทันทีต่อไปนี้ก็จะปล่อยให้ท่านทั้งหลายได้ฝึกนั่งสมาธิจนกายจะหมดเวลา อตอนนี้เวลานั่งสมาธิก็หมดลงต่อไปนี้จะขออนุมุทนาให้พรยะทาวาเรวาหาปุราปาริปุเรนติสาขลังเอวเมวะยุตโตทินังเปตานาังอุ ป, ปกบปติอิจิตังปะทิตังตุมหังคิปเมวะสมมจโตุ สัพเพปุริตุสังกะปาจันโทปนะราโสยธาเมณนโชติราโสยธาสัพพิติโอวิวัจฉันตุสัพโรโควินัสตุมาเตปวัตวันตรายอสุขีติขายุโกภวะ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 795ครับคำถามจากทาง YouTube Facebook นะครับคำถามแรกคุณนนทัศั์ผมมีคำถามคาใจอยู่หนึ่งคำถามครับคือเพื่อนเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นญาติกันบอกว่าเขาสามารถนั่งสมาธิเข้าสู่ฌานได้เสมอซึ่งผมไม่เชื่อร0 0เซเพราะเขายังขาดศีลห้า เป็นประจำในข้อกาเมมุสาและก็สุราที่เห็นได้ชัดครับตัวผมเองพยายามถือศีลห้าให้บริสุทธิ์และปฏิบัติธรรมมาหลายปีกว่าจิตจะสงบได้สักครั้งก็แสนยากเย็นเห็นใจผมไม่ได้ศบประมาทครับแต่ขอหลวงพ่อชี้แจงด้วยครับเลือกของคนเขาจะพูดอะไรก็ได้นะพระเจ้าบอกว่าให้ใช้หลักที่แสดงไว้ในการธมสูตร เขาพูดอะไรก็อย่าเพิ่งไปเชื่อเขาจนกว่าเราจะสามารถพิสูจน์ได้ด้วยตัวของเราเองถ้าเรายังไม่พิสูจน์ไม่ได้เราก็ไม่ต้องไปเชื่อแต่ก็ไม่ต้องไปปฏิเสธปล่อยให้เขาพูดไปตามเรื่องของเขาไปเท่านั้นเองมันไม่เกี่ยวกับเรามันไม่ได้ทําให้เราเป็นเหมือนเขาได้จากสิ่งที่เขาพูดขึ้นมาเพราะฉะนั้นไม่มีความจําเป็นที่ต้องไปพิสูจน์แต่อย่างใด เขาพูดก็รับฟังไว้ก็แล้วกันไปเท่านี้นนคำถามต่อไปจากคุณทัวร์ชายหญิงที่บรรลุนิติภาวะกันทั้งคู่อยู่กินแบบสามีภรรยามาสิบกว่าปีแล้วแต่ไม่ได้จดทะเบียนแต่างงานกันตามประเพณีนิยมและไม่ได้นอกใจไปผิดคู่กับสามีภรรยาของคนอื่นอย่างนี้จะถือว่าผิดศีลข้อการเมไหมครับ ไม่ผิดหรอกถ้าเราซื่อสัตย์ต่อคู่ครองของเราจะจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนนั้นไม่เป็นประเด็นสำคัญสำคัญก็คือว่าเขากับเราเป็นคู่ครองกันหรือเปล่าถ้าเป็นคู่ครองกันเราก็ต้องมีความซื่อสัตย์ต่อกันไม่ไปนอกใจกันคำถามหมดแล้วนนครั บ, อบออเอาใบจดทะเบียนไม่มีความหมายอะไรหรอกจดไปก็เหมือนกระดาษแผ่นนึง อาจจะมีความหมายทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินหรืออะไรต่างๆเวลาที่จะต้องแยกทางกันหรือต้องแบ่งทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองกันก็มีกฎหมายมาคุ้มครองให้แบ่งกันอย่างยุติธรรมแต่เรื่องทางด้านจิตใจนี้ไม่กระดาษใบเดียวไม่สามารถมามากำหนดอะไรได้ต้องอยู่ที่ความซื่อสัตด์สุจริ์ ถ้าเรามีความซื่อสัตย์สุจริตกับคู่ของของเราไม่นอกใจไม่ไปมีคนอื่นนี่ก็ถือว่าเราก็ไม่ผิดศีลข้อสามคำถามจากคุณพีระในการที่ถ้าเราถือศีลแปดหากไปออกกำลังกายจะถือว่าผิดศีลหรือไม่ครับการออกกำลังกายก็ไม่ได้เป็นการผิดศีลแปดแต่อย่างใดแต่นะแต่ว่าผู้ผู้ปฏิบัติธรรม ถ้าจะถือศีลแปดเพื่อปฏิบัติธรรมเขาก็จยากออกกำลังกายด้วยการเดินจงกรมแทนหรือไม่เช่นนั้นเขาก็อาจจะถ้าอยู่ในที่พาคเขาก็อาจจะทำโยคะทำท่าอะไรต่างๆไปแต่สาหรับผู้ถือศีลแปดนี้มักจะอยู่ในในความเรียบร้อยไม่วิ่งเต้นเต้นแรงเต้นกาอะไรต่างๆเหล่านั้นอันนั้นไม่ได้ใช่เป็นลักษณะของพวกที่มีความสำรวม แต่จะว่าออกกำลังกายไปวิ่งนี่ก็ไม่ผิดตรงไหนวิ่งได้นะก็ไม่มันก็ไม่ได้ผิดข้อไหนเพียงแต่ว่ามันจะเหมาะสมหรือไม่เท่านั้นเองคำถามหมดแล้วครับสำหรับพระนี่ถือสีงสอง้อยีบเจ็ดข้อยังออกไปวิ่งออกกำลังกายไม่ได้ทนะ่านก็ใช้การออกกำลังกายด้วยการเดินจมกลมด้วยการบินทบาทนะติหรือถ้ามีภารกิจในวัดเช่นปัดกวาดถู กอดถูสารากอดกอดลานวัดนี่อันนี้ก็ถือว่าเป็นการออกกําลังกายของนักบวชแต่ถ้าสําหรับพราวาสผู้ครองเรือนก็สามารถเข้าออกไปออกกําลังกายข้างนอกได้แต่ถ้าถือศีลแต่นี้มักจะไม่นิยมไปที่พุกผ่านไปที่มีคนเยอะแยะหรือมีรูปเสียงกิตล้นเยอะแยะ การถือศีลแปดนี้เป็นการควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายสัมรวมตาหูจมูกลิ้นกายไม่ให้ไปสัมผัสรับรู้กับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเพราะเวลาได้รับสัมผัสแล้วมันจะเกิดอารมณ์ขึ้นมาจะเกิดตัญหาความอยากขึ้นมาดังนั้นถ้าถือศีลแปดจริงๆเมันมีไว้เพื่อสนับสนุนการปฏิบัตินั่งสมาธิมากกว่าแต่ถ้า ถือศีลห้านี่ก็สามารถที่จะออกไปรับรู้รูปเสียงกลิ่นรได้แต่ถ้าถือศีลแปด น, นี้ต้องการจะสำรวมอินทรีย์สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายไม่ให้ออกไปรับรูปเสียงกลิ่นรต่างๆเพราะเมื่อรับลูปเสียงกลิ่นดมาแล้วมันจะทำให้เกิดอารมณ์ได้เกิดอารวมณ์ว่าวุ่นขุนมัวขึ้นมาได้แล้วจะเป็นอุปสรรคต่อการทำสมาธิ การถือศีลแปนี้มีเป้าหมายอยู่ที่การสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติได้เข้าสมาธิได้ง่ายมีเวลามีเวลาปฏิบัติได้มากขึ้นเพราะถ้าถือศีลแปะแล้วก็จะไปทำกิจกรรมทางรูปเสียงกลิ่นดไม่ได้ไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ไปงานนู้นงานานี้ไม่ได้ไปไปหาความสุขจากการดูภาพยนตร์หรือละคร อ, อะไรต่างๆไม่ได้ดงั้น mm. ถ้าถือศีล8ก็ให้ทราบความหมายของการถือศีล8ปเพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติธรรมผู้ถือศีล8มักจะไปหาสถานที่ที่สงบวิเวกที่ห่างไกลจากแสงสีเสียงต่างๆคำถามต่อไปจากคุณปริตภาา <c oughs> นั่งสมาธิจิตสงบแต่ละครั้งยากมากครับถ้าจิตสงบถึงตกหลุมตกบอ่ออันนี้เรียกว่าฌานสีใช่ไหมครับ จะเรียกว่าอะไรก็ไม่ต้องสนใจนะขอให้มันนิ่งให้มันสงบแล้วมีความสุขที่เกิดจากการนั่งก็แล้วกันเราไม่ได้ไปนั่งเพื่อเอาชื่อเอาเสียงของสมาธิเราต้องการเอาเนื้อของมันเนื้อของสมาธิก็คือความเย็นความสุขความนิ่งความสบายใจมีความสุขอย่างมหศัศจั์ใจท่านั้นแหละพอแนละ้วจะเรียกชานูน้นชา น, นี้ก็มันก็เรียกได้แต่ไม่อยากจะพูดเพราะเดี๋ยวจะกลายเป็นประเด็นขึ้นมาเถียงนะ คนนี้คนอาจจะบอกไม่ใช่ชา้นสี่อาจจะเป็นชา้นสามอาจจะเป็นชา้นสองเดี๋ยวมันก็เรื่องไม่จบนั่งไปเพื่อให้มันสงบให้มันมีความสุขกแล้วกันยังไม่มีคําถามครับเพราะบางทีวงการปฏิบัติมันจะมาสนใจกับเรื่องที่มันไม่เป็นประเด็นสําคัญคือมาสนใจกับชื่อของธรรมต่างๆอันนี้เป็นสัมมาทิฏฐิหรือเปล่าเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือเปล่าเป็นเ อ, อ เป็นอ น, นี้จังทุกขังหน้ตาหรือเปล่าอทนองนี้อันนี้ไม่ต้องมาเป็นประเด็นประเด็นให้เรารู้อยู่กับใจเราว่ามันเป็นอะไรแล้วมันทำให้ใจเรากำจัดความทุกข์ต่างๆได้อันนั้นเป็นประเด็นสำคัญกว่าเรามาเพื่อมาเพื่อมากำจัดความทุกข์อย่าเป็นแบบพวกตาบ่อคําช้างศึกษาธรรมะกันแต่ คนหนึ่งก็เห็นว่าธรรมะนี่เป็นเหมือนเป็นเหมือนงวงอ่เป็นเหมือนงูใหญ่เอาไปจับตัวตัวงวงของช้างก็เลยว่าช้างนี่เป็นงูใหญ่ไอ้คนไม่จับหางของช้างก็ว่าช้างเป็นเหมือนเชือกออ้คนไม่จับงาเขาบอกช้างนี่เป็นเหมือนเหมือนหอกไอ้คนไปจับท้องช้างบอกเป็นเหมือนกำแพงออ้คนไม่จับหูช้างบอกเป็นเหมือนใบพัด มันก็ถูกตรงนั้นแหะแต่มันไม่ถูกครอบทวนบริบูรณ์แล้วก็มานั่งเถียงกันว่ะสมาธิเป็นอย่างนั้นเอฌานเป็นอย่างนี้อะไรเป็นกันไปเถียงกันไปเถียงกันมาใจฟุ้งซ่านไปหมดเลยนี่ไม่ดีเกิดทะเลาะกันเกิดโกรธกันเกลียดกันขึ้นมาอเรื่อยๆไปอย่างคนบางคนก็บอกว่าเขาไม่ต้อ ง, งมีศีลเขาก็เข้าฌานได้เอขาพูดเขาก็จะเข้าฌานได้กับเรื่องของเ ข, า, เ ข, า, เขาไปแต่ตามความเป็นจริงแล้วมัน คนไม่มีศีลมันจะไปนั่งเฉยๆได้ที่ไหนก็ไม่มีศีลมันก็ต้องไปทำเรื่องนู้นเรื่องนี้ทำเรื่องวุ่นวายต่างๆมันกินเล้าแล้วมันก็ไม่มีสติไม่มีสติแล้วมันจะมานั่งสมาธิได้อย่างไรไอ้เสพกามแล้วมันจะมีเวลามานั่งสมาธิได้ที่ไหนไอมันมันมันฟ้องอยู่ในตัวอยู่แล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วคนที่เข้าชานส่วนใหญ่เขาจะเป็นพระเป็นนั่งบวชกันคนที่ยังเสพกามอยู่นี่ไม่ท่าไม่มีทาง เพราะการรมนี้มันเป็นเป็นอุปสรรคในการเข้าสมาธิเรียกว่าการมฉันทะเป็นอ น, อนิวรอยหนึ่งถ้าใครยังเสพกรรมอยู่นี่ถึงเวลานั่งสมาธิจะอึดอัดแต่เวลาไปดูหนังฟังเพลงรู้สึกสบายนั่งสมาธินี่ใจเครียดขึ้นมาใจใจรู้สึกอึดอัดขึ้นมาแต่ถ้านั่งดูหนังเป็นชั่วโมงนี้นั่งดูได้เพลิดเพลินไม่รู้สึกอึดอัดใจเพราะมีรูปเสียงกินรถให้เสพน พราะว่านั่งสมาธิมันไม่มีอะไรให้ศีลนอกจากกรรมฐานนอกจากพุโทโธพุโทโธเป็นอารมณ์แล้วดูลมหายใจมันก็เลยทําให้นั่งสมาธิได้ยากสำหรับคนที่ยังไม่มีศีลยังไม่รู้จักสํารวมตาหูจมูกลิ้นกายถ้ายัางรักษาศีลแปดไม่ได้นี่จะเข้าสมาธิได้นี่ยากมากยกเว้นว่าถ้าเป็นคนที่ชาติก่อนเคยเข้าสมาธิมาแล้ว แต่ถ้าเขาเข้าสมาธิได้นะเขาก็จะไม่ไปนสนใจกับเรื่องการต่างๆคนที่พบกับความสุขที่เกิดจากความสงบนี้เขาจะไม่สนใจกับการไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปดูไปฟังอะไรเขาจะเป็นคนเรียบง่ายสมระเรียบง่ายอยู่แล้วแต่อันนี้เราไม่ต้องไปสนใจใครก็พูดอะไรเขาบอกเขาบรรลุขัน้นนู้นขั้นนี้เป็นโสดาเป็นสกิรดาคาอย่างที่มีข่าวมีเด็กคนนึงบรรลุเป็นอนาคามี เยังกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้อีกมันก็ขาดกันว่าไม่ได้แสดงว่าไม่ได้ดศึกษาหลักธรรมอนณาคามีเป็นผู้ไม่กลับมาเกิดในกาลมาพบแล้วไม่กลับมาเกิดเป็นเทพเป็นมนุษย์เป็นเปรตเป็นเดรัจฉานเป็นอะไรทั้งสิน้นท่านจะไปเกิดเป็นพรมอนณาคามีแล้วก็ไปเป็นพาาระอรหันต์ตามลําดับต่อไปมีคําถามัหมยังไม่มีครับหลวงพ่อ ถ้ามีใครอยากจะถามก็เชิญถามได้นะ You have any question No question Okay เป็นเช้าอะไร <Okay. S 1> ใครไล่มาไม่ไหวเลยไม่ต้องไม่ต้องกลัวไม่ใช่มไม่ไม่ไม่ตามันต้องรู้จักสอนมันบ้างไม่ใช่ปล่อยให้มันไปละลานคนอื่น ตีมันได้ไม่ต้องกลัวไม่มีใครว่าหรอกตีด้วยความเมตตาไม่ได้ตีด้วยความโกรธเกลียดตีเพื่อสั่งสอนเพื่อห้ามปรามนี่ไม่ถือว่าเป็นการสมัยนี้ฆ่าตีลูกไม่ได้แล้วเนี่ยเขาโลกกลายเป็นโลกบ้าไปหมดนะสั่งสอนลูกไม่ได้ตีลูกไม่ได้แล้วลูกมันจะไปดีได้ยังไงมันทำผิดก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรตีไม่ได้ว่าไม่ได้ผิดกฎหมายแล้วต่อไปทาอะไรไม่ได้เลย แต่ที่ตีแบบโหดร้ายทารุณก็ไม่ควรนะตีด้วยอารมณ์โกรธนี่ก็ไม่ควรเวลาเราโกรธลูกแล้วเราไปตีเข้าแบบรุนแรงนี่มันก็ไม่ควรเราต้องการป้องกันแบบข้อนี้มากกว่าแต่มันก็ไปทํามันก็ไปห้ามให้ตีด้วยการว่ากล่าวตักเตือนบ้างบางทีคนเราต้องรู้จักโทษของการกระทําผิดมันจะได้สํานึกผิดจะได้กลัวความผิดที่จะจะได้ไม่ไม่ไม่กลับมาทําซ้ําอยู่เรื่อย ถ้าทำผิดแล้วไม่มีโทษมันก็สบายนสิก็มีเรื่องที่สมเด็จพระสังฆราชองค์ก่อนท่านเคยเล่าว่ามีลูกพอแม่ก็เลี้ยงดูอย่างเอาเกเาใจไม่ว่ากล่าวตักเตือนอะไรพอโตขึ้นก็ไปทำผิดกฎหมายไปฆ่าคนยังไงถูกโทษประหารก็มาว่าแม่ไม่ไม่ไม่ว่ากล่าวตักเตือนสั่งสอนเขาเลยสงสารไม่อยากจะว่าลูกไม่อยากให้ลูกเสียใจกลัวลูกจะเสียใจกลัวลูกจะโกรธ ก็เมยไ ม, ไม่ไม่ตำหนิติเตียนไม่ว่ากล่าวสั่งสอนก็เลยคิดว่าทำอะไรก็ทำได้นีพอไปทำก็โตขึ้นมาไปทำเรื่องที่ผิดกฎหมายร้ายแรงเขาก็จัดสินลงโทษทหารชีวิตได้ฉะงนั้นควรจะสอนลูกให้รู้จักผิดถูกดีชั่วควรจะห้ามปราม์มถ้าตีไม่ได้ก็มีมาตรการอย่างอื่นตัดค่าขนมไปก็ได้สมัยนี้ยึดโทรศัพท์ไว้สักอาทิตย์หนึ่งก็ได้ ทำใช้โทรศัพท์สักอาทิตย์หนึ่งมันจะได้รู้จักว่าเวลาทำผิดแล้วมันมีมีโทษตามมามันต่อไปมันจะได้ไม่กล้าทำผิดอีกยังไม่มีคำถามนะโอเคถ้าไม่มีก็ราวแค่นี้ก่อนขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิทิจาณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความจเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถอ